215เมื่อทิฏฐิวิปลาชเสียแล้วขืนปฏิบัติไปก็ไร้ผลที่อาจจะมาพูดซ้ำพูดซากในประเด็นนี้เพราะเห็นว่าท่านทั้งหลายต่างหลงปฏิบัติอย่างมีทิฏฐิเชื่อมั่นหนักจัดว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดเจโตสมาธิแบบพุทธให้ได้นั้นต่างล้วนหลับตาเข้าไปอยู่ในผวงัง ปฏิบัติกันอยู่ทั้งนั้นทั่ววงการพุทธศาสนาเต็มไปหมดจนเรียกได้ว่ามีทิฏฐิวิปลาดของประแสหลักในศาสนาพุทธเกือบสิ้นแล้วมันไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ90ของพรห ม, มชาและสูตรนี้เลยเพราะมันไม่มีผัสสะยตนะหกย่อมเสเวยเวทนากันเลย มันก็มิชาทิถิกันตามทิี่462ประการนี้กันเท่านั้นเห็นชัดเจนหมายเล่าซึ่งทั้งอดีตและอนาคตนั้นมันคือความไม่มีแล้วสําหรับอดีตก็แก้ไขไม่ได้แล้วส่วนอนาคตนั้นมันก็ยังไม่มียังไม่มาถึงแต่คนก็หลงอนาคตนี้มากกว่าอดีตเสียอีก ถึง44กรณีตามที่พระบรมศาสดาของพุทธรสรุและนำมาประกาศไว้ในโลกให้ได้เรียนรู้พิสูจน์ดังนั้นคนผู้หลงยึดอดีตกับอนาคตเป็นความจริงสัจจะอยู่จึงคือผู้ที่มิฉาทิฐิชนิดที่ไม่มีทางแกะบรรลุนิพพานได้เลย ทีนี้มาอธิบายถึงความลึกซึ้งคำพีราเห็นตามได้ยากทุททษารู้ตามได้ยากธุระนุโพธาสงบสันตาประนีปณะนีตาจะาคาดคะเนเอาไม่ได้อะตา ก, กาวัจราและเอียดนิปุณารู้ได้เฉพาะบัณฑิตบัณฑิตเวทนียาตามที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำมาตลอด ในพร้มว่าชาละสูตรนี้